Book 2 4สี่สิบห้าที่โรงหนังดีบิโสอสโคปเราอยากไปดูหนัง kami อ n g i n ป e r g i ke คุณครูคุคร วันนี้มีหนังดีฉาย hari ini sedang diputar film yang bagus หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ f i l m nya masih sangat baru ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ di mana m e ja kasir ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ .apakah masih ada tempat kosong? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ berapa harga tiket masuknya? หนังเริ่มกี่โมงคะ kapan mulainya? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Berapa lama filmnya? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Apakah dapat memesan tiket? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Saya ingin duduk di belakang. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Saya ingin duduk ดีด a n นด in ah. nah ิฉันต้องการนั่งตรงกลาง s a น a i n g น n ่างนอยนังตรงกลางฉัน a ยานั่งตานอาน่ตางนาน่ตลนเน่ตกลาันอนังตรงนอนั่งตรางฉัน่างนอ่ลานากน่ันอ f i ก m ั y a TIDAK m e m b น s a n k a n แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะแต่ i bukunya l e b ก h ่ a g น s d i b a n d i n g นังสือดนันตดีนงตนอดี่านงต่อดีกว่านังอดก่ า, า, นะกานังแสดก่างนะแนสอดก่านงนะแนัอดก่างแสดงนอ่างาก่าานะอักตนี